ตาต่างวันนั้นห้องเรียนเคยอยู่กันเมื่อวานเรียนด้วยกันตรงนี้เป็นเป็นกันตรงนี้ใส่คำแบบด้วยกันยังจำขึ้นใจแค่เพียงในเวลานี้เห็นเธอโตขึ้นอีกมากมาย เรื่องราวที่ดูล้ายนั้นยังคงติดอยู่ฝังใจไม่ว่าฉันจะถูกไม่ว่าฉันจะมีความสุขกับอะไรยังไงก็ตามย้อนมองในเวลานั้นฉันยังมีเธอ ฉันตั้งใจ